วันนี้เป็นวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัตผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลคือความสุขความเจริญของจิตใจณนะสถานที่แห่งนี้เราก็จะมีการแสดงธรรมเป็นขั้นแรก สามสิบนาทีด้วยกันแล้วอีกสามสิบนาที <c oughs> ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมคือเป็นการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขให้มีความสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ธรรมะที่จะแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องกายวิเวกจิตวิเวกคําว่ากายวิเวกคืออะไรคาว่าจิตวิเวกคืออะไรคําว่ากายวิเวกก็คือร่างกายที่ อยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกนั่นเองเช่นอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆถ้าร่างกายไปอยู่ในสถานที่สงบวิเวกใจหรือจิตก็จะสงบวิเวกตามได้อันนี้คือความหมายของกายวิเวก จิตวิเวกจิตวิเวกก็คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบจิตที่มีสมาธินั่นเองการที่จะทําให้จิตมีสมาธิมีความสงบมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้จําเป็นที่จะต้องพาร่างกายไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวก อย่าไปอยู่ในสถานที่จอแจแออัดสถานที่มีเสียงกระทึกคุกคองสถานที่ที่มีเรื่องมีราวต่างๆเช่นตามบ้านตามเมือง<ม>เราอยู่ในบ้านในเมืองนี้เราจะมีพวกเสียงต่างๆเข้ามาตลอดเวลา<ม><ม>เราต้องอยู่ห่างจากเสียงรูปเสียงกีดนดต่างๆเพราะเวลา ใจได้สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกิจิยรสต่างๆแล้วมักจะเกิดการมาฉันทะเกิดความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกิริย์รสต่างๆขึ้นมาพอเริ่มมีความอยากจะเสพก็จะเกิดทำให้ใจเริ่มมีความหงุดหงิดนําคาญใจเริ่มมีความรู้สึกเศร้าสรอยหงอยเหงา หรือว่าเวขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องมีอะไรมาเสพมาทำให้มีความรู้สึกสุให้สุขให้สบายแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวและเป็นความสุขที่เป็นเหมือนกับยาเสพติดเพราะถ้าได้เสพความสุขจากรูปเสียงกลิรแล้วจะต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาใดที่ไม่ได้เสพ เวลานั้นก็จะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจไม่ใช่เป็นวิธีที่ให้ความสุขกับใจแต่เป็นวิธีทําลายใจสร้างความทุกข์ให้กับใจจึงต้องพยายามหลีกเนี่ยงการเสพรูปเสียงกลิ่นลดโภชพระด้วยวิธีการต่างๆที่พรูเจ้าได้ทรงคนพบ นึ่างในวิธีนั้นก็คือต้องไปอยู่ที่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจึงมักไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ตามป่าตามเขาจะเป็นวัดก็ดีจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ดีสถานที่เหล่านั้นมักจะอยู่ไกลจากแสงสีเสียงไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆ ถ้าเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่บ้านนี่เราก็อาจจะต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆคนนู้นคนนี้มีเรื่องมีราวมีปัญหามีอะไรต่างๆมีการกระทำการเสพ ร, รูปเสียงบางคนก็เปิดเพลงฟังบางคนก็เปิดโทรทัศน์ดูบางคนก็รับประทานอะไรต่างๆดือมเครื่องดื่มอะไรต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นค่าศึกศัตรูของการทำใจให้นิ่งให้สงบเราจรึงต้องไ ป, ปีกวิเวกกันเพื่อทำให้กายวิเวกขึ้นมาอันีกวิเวกก็ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีกิจกรรมทางรูปเสียงกิริเช่นตามวัดวารามที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดเหน๋อวนี้ก็มีสองลักษณะ วัดที่ปฏิบัติธรรมกับวัดที่ไม่ปฏิบัติธรรมถ้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมก็จะมีกิจกรรมต่างๆงานศพงานบูญงานอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาวันเหล่านั้นก็จะไม่ใช่เป็นสถานที่ไปปีกวิเวกต้องไปปีกวิเวกที่เป็นวัดที่เป็นวัดปฏิบัติธรรมถ้าเป็นวัดปฏิบัติธรรมนี้จะไม่มีกิจกรรมต่างๆ ยกเว้นกิจกรรมที่จำเป็นก็คือการการใส่าบาตรการขบฉันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่จำเป็นที่จะต้องมาทำร่วมกันนะที่ศาลาแต่ก็ทำเฉพาะกิจเฉพาะเวลาพอเสร็จกิจแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปไปปีกเวิเ์ ก, กันหรือแม้จะอยู่ในวัดป่าในวัดเขาแล้ว ก็ยังต้องมีการปรีกวิเวกคือไม่มีการครุกคีกันเพราะว่าเมื่อมีการครุกคีกันเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวที่ต้องคุยกันการคุยกันก็อาจจะนาไปสู่ความฟุง้งซ่านความไม่สงบของจิตใจได้นอกจากไปปีกวิเวกแล้วถ้าเราไปอยู่กันหลายคนณสถานที่แห่งเดียวกันเราก็ยังจ้องเป็นที่จะต้องไม่คุกคีกัน ถ้าเราต้องมาทำภารกิจที่จำเป็นก็ทำด้วยด้วยความกายวาจาที่สงบ<ม>คือเราจะไม่พูดคุยกันเราจะไม่ทำอะไรให้เกิดเสียงหรือกระเทาะครืกโคมทำด้วยความมีสติระมัดระวงัง<ม>ทำเพื่อให้ภารกิจที่ต้องทำนั้นสำเร็จร่วงๆไปได้ดีแล้วจะได้แยกกันออกไปปีกวิเวกันต่อ นอกจากการไปปิกวิเวกแล้วแล้วก็ต้องไม่คลุกคลีกันไปเช่นมาสถานที่ปฏิบัติธรรมจะมารวมกันก็มารวมกันเฉพาะกิจเช่นมาฟังเทศฟังธรรมญาโยงที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ก็เช่นเดียวกัน mm hmm. เวลาจะมารวมตัวกันก็รวมตัวกันตอนที่มีกิจตอนเช้าก็กิจรับประทานอาหารฉันอาหารที่ศาลา ตอนบายก็มีการมาฟังเทศฟังธรรมกันแต่ก็มาด้วยกายวาจาใจาที่สงบไม่ได้มาพูดคุยกันมาสนุกสนานเฮฮากันเหมือนกับไปงานเลี้ยงเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่เป็นการคุกคีกันแบบนักปฏิบัติการร่วมกันของนักปฏิบัตินี้ร่วมด้วยกายวาจาใจาที่สงบมีสติคอย ควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้ฟุ้งซ่านไปกับการพบปะกนันนี่คือไปอยู่ที่วิเวกแล้วก็ต้องไม่คุกคีกันถ้าไม่มีความจำเป็นจะไม่ไปพบปะกันไม่คุยกันบางคนไม่เคยมาอยู่วดัดพอมาอยู่วัดคนเดียวอาจจะรู้สึกเหงาว่าวเว เห็นเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันก็อาจจะอดที่อยากจะไปคุยกับเขาไม่ได้เพื่อแก้กความเหงาความว้าเหวแล้วเขาก็อาจจะเกงใจเราเมื่อเขาเราไปหาเขาไปคุยกับเขาเขาก็เลยต้องคุยด้วยก็เลยต้องคุยกันไปคุยมาเดี๋ยวก็ฟงสร้างขึ้นมาดังต่างคนต่างไม่ควรไปรบกวนกันเพราะต่างคนต่างมาเพื่อมาทําจิตให้วิเวกนั่นเอง ทำจิตให้สงบเรามากายวิเวกที่วัดกันและเพื่อที่จะทำให้จิตวิเวก mm. การที่จะทำให้จิตวิเวกได้นี้ต้องไม่คุกกีกัน mm. ไม่ต้องคุยกันเ mm. หมือนกับไม่รู้จักกัน mm. ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ mm. mm. มันเป็นปกติของนักปฏิบัติธรรมเวลาอยู่ร่วมกันเรามักจะ ต่างคนต่างมีสติสัมผูมกายวาจาใจไม่มีการพูดจาคุยกันทำเป็นเหมือนคนบ้ายคนหัวหนวกไปทำหน้าที่ของเราถ้ามารับประทานอาหารก็รับประทานาาด้วยการมีสติเมื่อเสร็จภารกิจก็กลับไปที่พักของเราไปที่ปฏิบัติของเรา ถึงเวลาที่จะลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศน์ฟังธรรมก็มาด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วจิตวิเวกก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจิตของเรานี้ก็จะสงบนิ่งได้ก็เหมือนน้ำในสระน้ำน้ำในสระน้ำถ้ามีคนกระโดดลงไปเล่นน้ำกันเรื่อยเรื่อยน้ำในสระก็จะไม่นิ่ง ถ้าต้องการให้น้ำในสระนิ่งก็ต้องไม่ให้คนลงไปกระโดดไปไหว้ในน้ำกันลองเเก็นดูสังสระว่ายน้ำช่วงไหนที่ไม่มีคนลงไปอาบนี่ไม่มีคนไปหว่นี่น้ำจะนิ่งน้ำจะสงบแต่เวลาไหนที่มีคนไปอาบไปหวยไปกระโดดน้ำกันน้ำก็จะกระเพื่อมกันเป็นคลื่นกันขึ้นมาใจเราก็เป็นเหมือนน้ำดีดนี่ ใจเราจะสงบได้ต้องไม่มีอะไรไปไปทำให้มันกระเพื่อมไม่ให้มันไปคิดความคิดปรุงแต่งแล้วก็สิ่งที่ไปกระตุ้นให้ยังมีความคิดปรุงแต่งมีความอยากก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ถ้าเราไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นของมนุษย์เหล่านี้มันจะทำให้ใจเรากระเพื่อมขึ้นมาแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่เป็นป่าเป็นเขา รูปเสียงกินรสเป็นธรรมชาติเนี่รูปเสียงกลิ่นรสของธรรมชาติจะไม่กระตุน้นไม่ทำให้ใจกระเพื่อมขึ้นมามดังนั้นเราต้องไปถ้าเราอยากให้จิตวิเวก ค, คืออยากให้จิตของเราสงบเน<ม>เราต้องหาเวลาไปปีกวิเวกัน<ม>แล้วก็เมื่อไปปีกวิเวกเราก็ต้องรักษากายวาจาใจ ให้อยู่ในความสงบไม่ให้ไปทำพฤติกรรมทางกามารมณ์ต่างๆจึงเป็นที่มาของการรักษาศีลแปดไ<ม>ยกว่าสำรวมบินรีสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายหรือว่าเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเนคขมมะเนคขมมะแปลว่าการออกจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ยุติการเสพรูปเสียงกิ่นไว้ชั่วคราวเรียกว่าเนค ข, ขมมะนแปดนี้จะเป็นแบ่งเป็นสองส่วนเนส่วนแรกก็คือสีลห้าคือคือสของสีลห้าคือละเว้นจากการไม่ทำบาปเช่นข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ข้อที่สามไม่ไม่พูดปด ข้อที่สี่อันนี้เป็นอไม่ดื่มสุรายาเมาอันนี้เป็นเรื่องของการไม่กระทํำบาปการกระทําที่จะทําให้เกิดความทุกข์กับความวุ่นวายใจขึ้นมาเราก็ละเวนในศินแปดก็มีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาส่วนข้อการเมข้อที่ห้าของศีลห้าเราก็มาเปลี่ยนเป็นอบรามจจาลิยา เวรามนีคือเราจะถือศีลของพรหมถือศีลของพรหมอาจารย์คือการไม่ร่วมหลับนอนกันไม่เสพสุขทางกามารมณ์ไม่มีการร่วมเพศกันอันนี้เป็นเนกขมมะคือการละเว้นจากการเสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการไม่ทำบาปก็มีสี่ข้อและอีกสี่ข้อก็เป็นเรื่องของเนกขมมะ หรือไม่เสร็จความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายด้วยการไม่ร่วมหลับนอนกันสอง <c oughs> การรับประทานอาหารพอประมาณไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากของกิเลสตัณหา <c oughs> ให้รับประทานเพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ไปวันวันหนึ่งไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> เพื่อระงับความหิวของร่างกายไว้ชั่วคราวจ <c oughs> ึงไม่ต้องกินมาก ไ ม, ไม่จาเป็นที่ต้องกินทั้งวันทั้งคืนกินแค่วันละครั้งสองครั้งก่อนเที่ยงวันก็เพียงพอต่อการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้อ น, นี้ก็คือสี่ข้อที่หกก็เป็นเนค ข, ขมะอีกอย่างนึงไม่ให้หาความสุขจากการเสพอาหารรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆหลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วพอ เชียงวันผ่านไปแล้วถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าๆจะดีกว่าเพราะถ้าไปดื่มน้าที่มีสีมีกลิ่นมีรสก็ยังเป็นการไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มอยู่นั่นเองถ้าเราอยากที่จะกราบปราบกรารมาฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่คอยมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจที่จะทำให้ใจไม่สงบนี้เราก็ต้องมีความเข่งคัดอย่าไปดืม่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่มีสีมีกลิ่นมีรสชาติต่างๆถ้าจะตั้งท่าร่างกายท่าร่างกายหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าๆนี่แหละเป็นน้ําที่มีคุณค่าที่สุดสําหรับร่างกายร่างกายไม่มีความจําเป็นที่ต้องดื่มน้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรสผู้ที่อยากจะเสบรูปสีสกลิ่นรสของเครื่องดื่มก็คือใจนี่เคือกิเลสตัณหาคือกามาฉันทะนี่เอง เราต้องการจะกำจัดถ้าเราไม่กำจัดการมฉันทะนี้จิตของเราจะไม่วิเวกได้จิตของเราจะไม่สงบได้จิตเราจะคอยพาวกพาวนจะคิดถึงแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มชนิดต่างๆหรือแม้กระทั่งของอาหารบางคนนี้ไม่สามารถถือศีลแปดได้เพราะใจนี้อดที่จะคิดถึงอาหารตลอดทั้งวันไม่ได้ ไปกินวันละสี่ห้ามื้อด้วยกันสี่ห้าครั้งสี่ห้ามื้อแล้วยังมีระหว่างมืออ้อ<ม>เดี๋ยว ก, กินของขบเคี้ยวอีกเดี๋ยวก็กินขนมอีกเดี๋ยวก็เดินเครื่องดื่มอีก<ม><ม>ถ้ายังมีความผูกพันอยู่กับเรื่องของการรับประทานอยู่นี่โอกาสที่จะมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าอยากจะให้มีเวลากับการมาทาใจให้สงบ ก็ต้องปฏิบัติเน่ขำมะหยุดภารกิจทางกามทางรูปเสียงกลิ<ม>่นรสด้วยการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วถ้าจะดื่มน้ำก็ให้ดื่มน้ำเปล่าๆไปยกเว้นถ้ามีมีข้อจำเป็นเช่นเป็นดื่มยาที่จะรักษาร่างกายเช่อนอาจจะเป็นยาแก้ร้อนในยาแก้อะไรต่างๆนี้ เป็นเครื่องดื่มขอให้เป็นเรื่องของการรักษาร่างกายไปก็แล้วกันแต่อย่าไปดื่มเพื่อให้มีความรู้สึกสดชื่นชีวิตมีชีวิตชีวาได้ดื่มของห ว, วานหวานของเปรี้ยวของอะไรต่างๆเป็นต้นนี่คือข้อที่สองของเนคขมมะก็คือไม่มีการเสพ การด้วยการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายได้อยู่เพื่อกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินนี่กินวันละหลายายครั้งถ้ากินเพื่ออยู่นี่กินแค่ครั้งวันละครั้งสองครั้งไม่เกินเที่ยงวันก็พอ mm hmm. แล้วก็มาข้อที่สามของเนคขมมะก็คือการไม่หาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆมหอรสศบันเทิง hmm. ต่างๆ ไม่ดูหนังฟังเพลงถ้าไปอยู่ในที่สงบสงัดแล้วก็ควรที่จะปิดมือถืออย่าไปใช้มือถือเพราะในมือถือสมัยนี้มันมีรูปเสียงกิดรถต่างๆมีรูปเสียงกิดรถมาล่อตาล่อใจยอยู่เรื่อยถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวก็อดเกิดความอยากขึ้นมาไม่ได้พอเกิดความอยากแล้วจิตก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาจะทาให้จทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากอย่างมาก ว่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเข่งๆ่งนี้เขาจะห้ามของสื่อต่างๆไ mm hmm. ม่ให้สมัยก่อนไม่มีมือถือก็มีโทรศัพท์เมีแม้แต่โทรศัพท์ที่ไม่มีรูปเสียงกินรถไม่มีภาพให้ดูก็ไม่ควรใช้เพราะโทรศัพท์เมื่อติดต่อกันคุยกันก็จะเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ต้องตัดการสื่อสารกับโลกภายนอกเลยถ้าเราอยากจะไปปีกวิเวกจริงๆ หนังสือพิมพ์ก็ไม่ดูโทรศัพท์ก็ไม่ดูไม่ไม่ฟังสมัยนั้นสมัยนี้มีมือถือเข้ามาแทนที่ก็ไม่ไม่ควรที่จะเปิดถ้าจะาไปด้วยก็เอาไปใช้เวลาในกรณีฉุกเฉิน้วยจำเป็นเท่านั้นแต่จะไม่เปิดคอยรอรับสายไม่คอยเปิดดูว่ามีข่าวมีข่าวมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆของเหล่านี้มันจะรบกวนการทำใจให้สงบทาจิตให้วิเวก ถึงแม้กายจะวิเวกแต่ถ้ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้มามันก็จะมาทำให้จิตไม่วิเวกได้ก็เลยต้องมีเนคขมมะคือข้อข้อที่สามของเนคขมมะก็คือการไม่ดูมหานตสบบันเทิงต่างๆหรือเรื่องราวทางโลกทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่ข่าวสารก็ตามอย่าไปดูมันมันไม่มีมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจเรา สงบไม่ทําให้เป็นจิตวิเวกขึ้นมามีแต่ทําให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาดงนั้นพยายามหักห้ามจิตใจแล้วนอกจากไม่ไม่เสพรูปเสียงกิริยลดของทางโลกแล้วยังต้องไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยไม่จาเป็นที่จะต้องแต่งตัวสวยๆงามๆใส่เสื้อผ้าฉูดฉาดมีจิตพิศดารเสริมความงาม ทำเข่าทำผมทำหน้าทำตาใช้เครื่องสำอางอะไรต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องการหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ต้องการเอาเวลามาหาความสุขจากการทําจิตให้วิเวกทําจิตให้สงบนั่นเอง <S <S <ม>แล้วข้อที่สี่ของเนข่ขมมคือการไม่นอนมากเกินไป <S <S <ม>การที่จะไม่นอนมากเกินไปก็นอนต้องนอนบนพื้นที่ไม่ไม่นุม่ม ไม่นอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเป็นต้นเพราะถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆมันจะสุขมันจะสบายเกินไปตามปกติร่างกายเมื่อมันง่วงนอนแล้วมันจะนอนบนพื้นไหนก็มันก็หลับทางนั้นจะนอนบนพื้นที่มีฟูกหนาๆหรือบนพื้นที่เป็นพื้นแข็งๆมันก็หลับเหมือนกันเวลามันเหนื่อยมันง่วงนอนนี่มันหลับได้ แต่หลังจากสีห้าโมงสีห้าชั่วโมงหลังจากที่มันได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอร่างกายตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกถ้านอนบนฟูกหานานอนบนเตียงที่มีความสุขเขาเรียกว่าเตียงสำราญต่างๆก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงด้วยกันทำให้เสียเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปแทนที่จะไปทำจิตให้สงบจิตวิเวกกลับไปแสวงหาความสุขจากการหลับนอน น, นก็เป็นการมาชันท่าความสุขในทางเสพการในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันงนั้นต้องนอนบนบนพื้นแข็งๆจะเป็นเตียงก็ได้แต่เตียงที่ไม่มีฟูกเป็นต้นแล้วจะนอนกับพื้นก็ได้ถ้าพื้นมันเย็นก็อาจจะปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อกันความเย็นได้อยู่เพื่อไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ จ, จะต้องมีมมผ้าหรือมีมีฟูกบางๆสมัยนี้เป็น เป็นเหมือนพวกที่ทําด้วยจากที่ที่นอนยางนี้เป็นต้นแต่ไม่หนาไม่เกินนิ้วหนึ่งเป็นต้น <S <S นก็พ อ, อที่จะสงเคราะห์เข้ากับข้อนี้ได้อยู่เราไม่ได้นอนเพื่อหาความสุขจากการหลับนอนเรานอนเพื่อพักผ่อนความเหน็ดเหนื่อยเลื่อยมื่อยล้าของร่างกายให้ร่างกายได้มีเวลาพักผ่อนฟื้นฟูสมรรถภาพของตน นี่คือสิ่งที่จะต้องทำถ้าเราอยากจะไปปีกวิเวกเราต้องถือศีลแปดกันศีลแปดก็แบ่งเป็นสองข้อสงส่วนคือศีลห้าศีลศีลของศีลห้าคือไม่ทำบาปสี่ข้อแล้วไม่เสพกามอีกสี่ข้อด้วยกันแล้วนอกจากนั้นถึงแม้เราจะไปปีกวิเวกไม่คุกเพกันแล้วก็สำรวมตาหูจมูกนิ้นกาย ด้วยการปฏิบัติศีลแปดแล้วก็ยังมีข้อหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือถ้าอยากจะให้จิตสงบอย่างเต็มที่เราต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆมันสกัดกั้นความคิดปรุงแต่งต่างๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปอย่าปล่อยให้ใจคิดอะไรเลยโดยเฉพาะาเวลาที่เราไปปิกวิเวกไปปฏิบัติธรรมนี้เราไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดเลยถ้าจะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลย แม้กระทั่งเรื่องธรรมะก็ไม่ควรที่จะคิดในเบื้องต้นในขั้นต้นนี้ถ้าเราฝึกทำทำจิตให้วิเวกทำจิตให้สงบด้วยสมาธินี้เราไม่ต้องการใช้ความคิดเลยต้องหยุดความคิดให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนั้นเราต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่เราตื่นจนหลับเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเราต้องมันเจริญสติทั้งวัน จะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้อันนี้เรียกว่าพุท ธ, ธานุสติมีสติและวเลิกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้า<ม>เรียกว่าพุท ธ, ธานุสติ<ม>ก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันมไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าเราจะใช้กายกตานุสติก็ได้ก็คือการดูร่างกายเป็นอารมณ์มีสติและวเลิกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวหการกระทําต่างๆของร่างกาย ในทุกอิริยาบุตในทุกการกระทำเพื่อผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆนั่นเองเป้าหมายของการเจริญสติก็คือให้ไม่ให้คิดให้หยุดคิดให้ได้เพราะถ้าใจไม่หยุดคิดใจจะนิ่งสงบเป็นสมาธิเป็นจิตวิเวกขึ้นมาไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราเหมั่นเจริญสติก่อนที่เรามานั่งสมาธิได้เวลามานั่งสมาธิจิตก็จะไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆ ให้จิตดูลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจให้อยู่กับคำบริกามพุทโธมันก็จะอยู่กับคำบ ร, market market okay. บริกรมพุทโธมันจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราควบคุมมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเรามาเพิ่งมาควบคุมตอนที่เรามานั่งก่อนเรามานั่งเราปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปพอมานั่งมันก็จะคิดต่อมันจะไม่มันจะไม่หยุดคิดตามที่เราต้องการให้มันหยุดคิด มันก็จะคิดไปเรื่อยๆเหมือนตอนที่ก่อนที่จะมานั่งสมาธินั่งสมาธิไปไม่ได้นานเท่าไหร่ก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะความคิดมันจะคิดอยากจะไปทํานู่นอยากจะไปทํานี่อยากจะไปเดินอยากจะอยากจะไปกินไปดื่มไปอะไรต่างๆมันก็จะทาให้จิตไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ถึงแม้จะไปปีกวิเวกแล้วถึงแม้จะไม่คุกทีกันแล้วถึงมจะสมรวมตาหูจมูกนิ้นกายแล้ว ปฏิบัติเน่ฆัมมะแล้วก็ตามแต่ยังไม่เพียงพอต่อการทําจิตให้วิเวกขึ้นมาได้ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีสติเป็นตัวคอยสกัดกั้นความคิดต่างๆถ้าเรามีสติที่มีกําลังมากสามารถควบคุมความคิดให้คิดแตเฉพาะเวลาที่จำเป็นที่จะต้องคิดเวลาที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดก็ไม่ให้คิดให้รู้เฉย จิตเรานี้มีความสามารถอยู่สองส่วนหลักๆ ก, ก็คือคือรู้กับคิดส่วนใหญ่เราจะปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราก็รู้กับมันไปตอนนี้เราต้องการให้หยุดความคิดให้เหลือแต่ความรู้ให้รู้แต่การรู้เฉยๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ใช่เห็นแล้วก็คิดปรุงแต่งเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้ขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ใจไม่นิ่งไม่สงบนั่นเอง นี่คืออุบายวิธีต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติแล้วได้ทรงนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกที่ต้องการให้มีจิตของตอนสงบมิเวกมีจิตมิเวกต้องเริ่มต้นที่กายมิเวกติดตัวไปอยู่ที่สถานที่สงบสงัดแล้วก็ไม่มไปอยู่ร่วมกันก็ไม่คุกคีกันแยกกันอยู่แล้วก็สํานวมมินทรีย์ไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เราก็เจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้กายที่เป็นวิเวกก็จะทำให้จิตเป็นวิเวกตามขึ้นมาจิตก็จะสงบตามขึ้นมาได้นี่ก็คือความหมายเรื่องเล่าของธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือกายวิเวกจิตวิเวกกายจะวิจิตจะวิเวกได้กายต้องวิเวกก่อนกายต้องไปอยู่ที่สงบที่ไม่วุ่นวาย แล้วก็ไม่คุก ค, คีกันไม่เสบรูปเสียงกิตลถแล้วก็มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้คิดจนฟุ้งสร้างขึ้นมาถ้าสามารถมีปัจจัยเหล่านี้ได้เวลาไปไปปีกวิเวกแต่ละครั้งก็จะพบกับจิตวิเวกอย่างแน่นอนเวลาสนหรับการแสดงธรรมในวันนี้ก็หมดลงแล้วสามสิบนาทีแรก อีกสาสิบนาทีต่อไปนี้เราจะมาทําจิตวิเวกกันมานั่งสมาธิมาคอยควบคุมจิตไม่ให้คิดปรุงแต่งการที่จิตจะไม่คิดปรุงแต่งได้เราต้องมีอะไรให้ยึดเหนี่ยวจิตใจเรียกว่าเราเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ยึดเหนี่ยวของจิตใจนี้เรามีชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่คืออารมณ์ต่างๆที่เราใช้ในการถูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิด ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจเราหยุดคิดเราต้องมีอารมณ์ผูกใจไว้จะเป็นพุทธานุสติก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะเป็นอาณาปานาสติก็คือการดูลมหายใจเข้าออกดูที่จุดเดียวจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้าท้องก็ได้ดูที่หน้าท้องเขาก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอดูที่ปลายจมูกเขาก็เรียกว่าอาณาปานาสติดูลมเข้าลมออกลมที่สัมผัส สัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกให้เฝ้าดูตรงที่จุดสัมผัสไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกหรือท่านใช้พุโทโธก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือจะผูกพุโทโธไว้กับลมก็ได้แล้วแต่ความพอใจบางคนพุโทโธอย่างเดียวมันไม่มั่นใจถ้าผูกไว้กับลมด้วยยิง่งจะทําให้มันนิ่งขึ้นก็ใช้ได้เหมือนกันพุทเข้าโธออก พอหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทเป็นต้นสําหรับท่านที่ยังไม่สามารถดูลมได้หรือพุทโทได้เพราะเนื่องจากสติยังมีไม่มากพออาจจะไม่ได้เจริญสติมาก่อนเวลาใชนั่งจะคิดมากจะคิดทุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้นนก็อาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ใช้บทสวดมนต์แทนพุทโธก็ได้สวดไปในท่านั่งสมาธินี่แหละนั่งหลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจ จะสวดบทไหนที่เราจําได้ก็ได้สวดให้มันไปเรื่อยๆถ้ามันจบแล้วก็สวดใหม่เริ่มรอบใหม่สวดไปหลายๆรอบจนกว่าจิตจะเริ่มเบาหายจากความฟุง้งซ่านสามารถที่จะมาดูลมหรือมาพุโทโธได้ก็ห ย, ยุดการสวดแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมแล้วมาพุโทโธต่อแล้วเวลามาดูลมแล้อพุโทโธก็อย่าทิ้งให้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมาฐานอันที่เราเลือก ถ้าเราไม่มีกรรมฐานนั่งไปจนวันตายก็จะไม่นิ่งไม่สงบแต่ถ้าเราผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเดี๋ยวไม่นานถ้ามันสามารถอยู่กับกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะนิ่งสงบแล้วจิตก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็จะไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นก็จะนั่งอยู่กับความสงบไปอย่างมีความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อน ประานั่งก่อนที่จะสงบถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีภาพมีเสียงมีรูปมีอะไรขึ้นมามีสีมีอะไรอย่าไปสนใจตามรู้กาติดอยู่กับกรรมฐานถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปอย่าทิ้งกรรมฐานโดยเด็ดขาดถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบอย่างอื่นที่มันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปมันเป็นตายล้วเกิดแล้วก็ดับไป อนันตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ปล่อยมันมาปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจกับมันให้อยู่กับกรรมฐานไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเนืง่งใจยก็สงบถ้าต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณสักยี่สิบหกนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิก ให้สังเกตดูวิธีนั่งของวันนี้ว่านั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งดีไว้คร <c oughs> าวหน้าเวลานมานั่งใหม่ก็ใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลย <c oughs> อย่าไปนั่งเพราะเราอยากให้มันสงบมันจะไม่สงบด้วยความอยากถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็ขอให้เราจเจริญสติให้มากขึ้น ควรเจริญสติได้ทั้งวันก่อนที่จะมานั่งแล้วต่อไปจิตก็จะสงบได้ง่ายณต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พอรอ<ม>ยะทาวาเลวะหาเ ป, ปราเปริเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางังอุปกปติอิจิตังปะิตังตุมหางคิปเมวะสลนิชาต สัพเพปุลินทุสังขปาจันโทปนะระโสยทามนิชติระโสยทาสสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมเตภวตะวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวัธานศสลิตสนิจังุทธาปจายโนยัตารุธรมมวะทานติอายุวันโสุขังภาลาังช่วงตาปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้คำตอบเพราะหลังจากเลิกประชุมแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ท่านที่ถ้าถ้าไม่อยากจะถามเองก็ส่งข้อความเข้าม า, าวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะน้ากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ238ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์279 YouTube ดรวี45วิทยุออนไลน์8 c l ับ House 4น้ากุติ152รวมทั้งหมด730ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังน้ากุติค่ะ ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องจิตในจิตและธรรมในธรรมด้วยโชยค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไปทีงไหเขาว่าอย่างงั้นก็ว่าตามเขาไปก็แล้วกันจิตในจิตก็คือจิตในจิตคำถามที่สองค่ะในการถือศีลแปดแล้วอดอาหารทุกสามวันรวมสิบสองวันคือสี่รอบคือทาง อดสามวันสลับกระทานหนึ่งวันถ้าจะดื่มพวกน้ำหวานแทนน้ำบ้างในวันที่อดอาหารจะได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มได้ไม่ห้ามคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติคะ่ะ ปฏิบัติตามคัมศรัทของพระอาจารย์ตอนนี้เมื่อปฏิบัติสามารถเข้าสู่ความสงบได้เร็วขึ้นมีความสุขกายเบาจิตเบาเป็นเป็นสภ า, าวะแบบเย็นสบายรู้ทันความคิดในชีวิตประจําวันดีขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้จิตสงบได้มากขึ้นต่อไปจเจริญสติให้มากขึ้นพยายามจเจริญสติทั้งวันได้ยิ่งดี คำถามจะพู้รับฟังนะกุติค่ะก่อนฝึกสติกับสมาธิไม่เคยทุกข์ใจกับความโกรธเดี๋ยวมันก็ดับตอนนี้กําลังฝึกสติทุกข์ใจครับความโกรธที่มันพัฒนาเป็นความแค้นอาฆาตและจองเวนเห็นมันพัฒนามากขึ้นแต่ก็ห้ามใจไว้ไม่ได้อโห ส, โสิให้ไม่ได้ควรทำอย่างไรได้คะพรเราไม่เจริญสติถ้าเจริญสติความโกรธก็จะหายไปได้ เนเวลาโกรธพยายามบริการพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราโกรธยิ่งคิดยิ่งโกรธใหญ่ถ้าอยู่กับพุโทโธไปสักพักเดียวมันก็ลืมเรื่องที่โกรธได้คำถามจากทางยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อกายนี้ไม่ใช่ของเราส่วนจิตใจนี้เป็นของเราใช่ไหมคะเพราะต้องพากเกิดตายและไปสู่นิพพานจิตใจมันก็จะว่าเป็นของเราก็ได้ แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเราเหมือนร่างกายนี่แหละมันก็เป็นของที่เราต้องดูแลมันเท่านั้นเองเหมือนร่างกายเราก็ต้องดูแลมันไปจิตใจเราก็ดูแลมันไปมันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ข้าพเจ้าไปนั่งสมาธิช่วงเย็นที่วดัดยุงกัดเลยคิดว่าบริจาคเลือดและเป็นการทิ้งร่างกายเพื่อให้เข้าถึงพระโสดาบันคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับถ้าเราไม่ทุกข์ก็ถูกต้องเราปล่อยวางได้เราเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนกับมันคำถามจากทาง y o u t u ด e อกตอร์ค่ะ ควรลบรูปคนรักเก่าทิ้งหมดเลยดีไหมรู้สึกเสียดายที่จะลบแต่ก็ทำจิตใจแย่ลงรู้สึกคิดถึงครับอย่าไปดูท่านนั้นจะลบไม่ลบไม่สำคัญสำคัญที่ดูหรือไม่ดูจากท่านเดิมนะคะควรมีแฟนครอบครัวไว้ดูแลกันยามแก่ชราไหมครับถ้ายังอยู่ทางโลกถ้าเกิดเขาตายก่อนเราจะทำาไง จากทางเฟ e บ o o กค่ะขอพระอาจารย์ชี้แนะคำแนะนำหรือแรงบันดาลใจให้สามารถมีวินญายปฏิบัติได้ทุกวันหน่อยค่ะก็พยายามทำตามคำสอนของพระเจ้าฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆศึกษาธรรมะคำสอนบ่อยๆแล้วมันก็จะมีศรัทธามีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติไปเรื่อยๆ คำถามจากทาง Facebook ค่ะผู้หญิงที่มีลูกแล้วสามีสามารถบรรลุพระโสดาบันได้ไหมคะได้ทุกคนเนี่ยมันไม่้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยหญิงหรือชายนักบวชหรือคารวะเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีคุณธรรมที่ทําให้บรรลุได้มันก็บรรลุได้มันอยู่ที่คุณธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญามากน้อยเท่านั้นเองที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้ อีกคำถามค่อนข้างยาวนะคะคำถามจากท่านเดิมค่ะ หนูพยายามนำคำสอนมาปฏิบัติสมาธิจเจริญสติอยู่ตลอดเมื่อคืนเข้าสมาธิจิตก่อนเข้าสมาธิคือปล่อยวางทั้งร่างกายถ้าจิตหลุดออกจากร่างกายก็ให้เป็นไปในมโนสติหนูได้สนทนากับท่านเพราะหนูอยากบรรลุพระโสดาบันท่านบอกกับหนูว่าอย่ายึดติดกับบุคคลให้น้อมนำคำสอนเป็นที่ยึดเหนี่ยวสุดท้ายก็แผ่เมตตาพอตื่นจากพวังหนูก็ถามลูกว่าหนูนอนกลไหมลูกตอบว่า วไม่กรนโดยรวมที่หนูหลุดไปประมาณ25นาทีหลังจากนั้นหนูรู้สึกว่าร่างกายมันมีพลังทุกครั้งที่หนูมีคําถามหนูก็จะได้คําตอบจากพระอาจารย์ตลอดจากทาง Facebook ที่ติดตามอยู่หนูอยากถามว่าสิ่งที่หนูปฏิบัติจะบรรลุดได้ไหมคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราสามารถตัดกิเลสได้เราก็บรรลุดได้ตัดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราได้เราก็บรรลุดได้ ไม่มีคำถามค่ะต้องเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าเราไปยึดไปติดมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เราก็ต้องปล่อยวางมองร่างกายของเราเหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นเวลาร่างกายคนอื่นเขาเจ็บเขาตายเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายที่เราครอบครองอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกัน ต้องมองให้เหมือนว่าเป็นร่างกายของคนอื่นแล้วเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไปกับมันเราก็จะบรรลุดได้บุญญามคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นเราเพียงแต่มันดูแลมันไปรักษามันไปวันวั น, ว น, วนหนึ่งเท่านั้นเองจนกว่ามันจะตายจากไปอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปรักอย่าไปยึดไปติด เหตุการณ์เหล่านี้มันจะทำให้ใจเราทุกทรมานใจถ้าเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เ, เราก็จะได้ปล่อยวางได้ามาแล้วคำถามไปถึงนี่พานี่ยังมีคำถามค่ะพระอาจารย์เวลาที่เรา เ, เพ่งศพอะค่ะ แค่ห้านาทีค่ะแต่ว่ามันติดไปทั้งคืนเลยเห็นภาพศพทั้งคืนแต่เวลานั่งสมาธิไม่เคยสงบอันนี้มันเกิดจากอะไรคะเพราะว่เาเวลาเพ่งศพเรามีสติเวลาเรานั่งสมาธิเราไม่มีสติใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่สงบแค่เท่านั้นเองสงบไม่สงบอยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติบางทีเราเห็นภาพที่มัน มันดูดื่มใจเราก็มีสติดูมันก็เวลานั่งสมาธิก็ดูเอาภาพสดมาดูแทนเนี่ยมันก็จะสงบได้ใช้ได้ใช่ไหมภาพสดก็เป็นกรรมฐานได้อย่างพักพิบค่ะคิะดถึงภาพสบที่เราเห็นเนี่ยแล้วใจเราก็จะนิ่งใจเราจะสงบได้จริงด้วยค่ะลืมข้อนี้ไปค่ ะ, ะนั่นแหละก็กเวลาเพ่งดูสบได้คิดถึงมันทั้งวันทั้งคืนได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สงบได้ อาจจะโูกกรมกรมฐานของเราก็คือสุภาณนีคือซากศพใช้ไดถ้ถ้าเราไม่กลัว <c oughs> ก็ดีเพราะคนส่วนใหญ่จะกลัวซากศพกันจะไม่กล้าดูซากศพถ้าเราดูซากศพได้แสดงว่าเรามีบุญมาก <c oughs> นั่งหลับตาแล้วนึกถึงซากศพไปเดี๋ยวจิตก็นเน่งสงบเย็นสบายขอบคุณครับอาจารย์ <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะอยากเป็นผู้ไม่ครองเรือนแต่กลัวบ้านปลายชีวิตจะไม่มีใครดูแลในเวลาใกล้าตายจะรู้สึกโดดเดี่ยวขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีการดูแลก็คือคารวา่าทั้งนั้นนะถูกลุกทอดทิ้งถูกพี่น้องทอดทิ้งกันไปแต่คนส่วนใหญ่ที่มีคนดูแลก็พระเนรเนี่ย <c oughs> ลองไปดูเลยถ้านนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คนมาคอยช่วยดูแลกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ท่านเป็นคาราวะาไม่มีใครเขาดูแลหรอกงั้นถ้ากลัวไม่มีใครดูแลก็มาบวชค่ะำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะต้องฝึกนั่งสมาธินานไหมครับถึงจะได้ฌานสี่หรืออัปปนาสมาธิมันนานไม่นานอยู่ที่เสเตมีมากมีน้อย ถ้ามีสติมากห้านาทีก็ได้ฌานก็มีงั้นถ้าไม่มีสติห้าปีก็ไม่ได้ฌานก็มีงั้นอยู่ที่การเจริญสตินะให้มีสติระหว่างวันให้มากๆอย่าปล่อยให้ใจลอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับร่างกายอย่างนี้เวลามานั่งสมาธิถ้าสติมันต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะนั่งห้านาทีมันก็รวมได้ แล้วอัปนาสมาธิสภาวะธรรมเป็นอย่างไรครับเหมือนกินข้าวอิ่มเป็นยังไง่ะต้องต้องกินดูถึงเนี้รู้อธิบายไม่ได้หรอกว่าเวลาอิ่มมันเป็นยังไงใจอิ่มไงอัปนาสมาธิก็เคย อ, อิ่มใจใคล้ายๆกับอิ่มกายนะแต่มีสุขมากกว่าอิ่มกายอิ่มใจนี่มันอิ่มไปเป็นเดือนๆ เ, เป็นปีๆเลยคาถามจากทางฟ๊ค่ะ เราต้องคอยสังเกตอารมณ์เราใช่ไหมคะเวลาโกรธขึ้นแล้วเราควรจะรับมืออย่างไรเช่นเช่นให้เช่นอภัยเขาใช่ไหมคะก่อนจะสังเกตใจได้ต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติให้เยอะๆดึงใจให้ให้เข้าข้างในใจเราชอบออกไปข้างนอกชอบมองคนนี้ชอบมองคนนั้นเลยไม่เห็นอารมณ์ของเราถ้าดึงใจกลับเข้ามาด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธ พอมันกลับเข้ามาข้างในแล้วทีนี้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็จะเห็นทันทีไม่ต้องไปสังเกตมันจะเห็นทันทีตอนนี้ไม่ไม่มีสติมันไม่มันมันมองไม่เห็นเห็นพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนไม่ต้องกังวลกับการมองจิตค่ะำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะความทุกข์จากครอบครัวทำให้เดือดร้อนแต่ไม่ดูกันละแต่ไม่ดูแลกันเลยฟังพระอาจารย์ตอบคำถามบางท่าน ฟังพระอาจารย์ตอบคําถามบางท่านคือคําตอบเห็นด้วยค่ะแต่ยังไปอยู่วัดไม่ได้ก็กรรมก็กรรมของท่านไปให้ยึดหลักอัตตาเหอัตโนนาเถอะไม่ว่าจะเป็นคารวาะหรือเป็นพระก็ต้องยึดหลักนี้ไว้เพราะเราไปหวังพึ่งใครไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลาเขาก็พึ่งได้บางเวลาเราก็พึ่งเขาไม่ได้ แต่เราสามารถพึ่งตัวเราได้ตลอดเวลาเพราะตัวเราจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาถ้ามันตายก็เราก็เราก็พึ่งมันไม่ได้มันก็จบแต่คนอื่นนี่ถ้าเราพึ่งเขาไม่ได้เรายังอยู่เรายังจะอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจให้พยายามฝึกตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเองพยายามทำอะไรต่างๆที่เราทำเองได้นะวาดบ้านถูบ้านได้ซักเสื้อผ้าเองได้ทำอะไรได้หัดทาไว ถ้าไม่ทํามันก็เหมือนคนเป็นมือเป็นคนง่อยไม่เวลาถึงเวลาทํำก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเราทําอะไรทุกอย่างได้เราก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเวลาคนที่เขามาทําให้เราเขาไม่อยู่เราก็ไม่เดือดร้อนเราทําเองได้ดัง <Yeah. S 2> นั้นยึดหลักอัตตาหีอัตโนนาโทไว้เนี่ยเป็นหลักที่แรกที่ประเสริฐที่สุดตนเปนที่พิ่งของตน <Yeah. S 2> ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจร่างกายเราก็เร่งดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ จิตใจก็เลยงดูด้วยธรรมะคุณธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วรับประกรันได้ว่าจิตใจของเราจะมีที่พึ่งไปตลอดร่างกายของเราก็จะมีที่พึ่งไปจนถึงวันตายได้คํำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะพระอาจารย์กล่าวถึงการสํารวนรักษาอินทรีย์อยากจะขอความรู้พระอาจารย์เรื่องภาร ะ, ะและอินทรีย์รวมถึงการเพิ่มให้มีมากขึ้นค่ะ ก็เอินซีเนี่ยก็อินรีมันมีสองความหมายอินรีย์ทางร่างกายเรียกตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องสำรวมอย่าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสำรวมเอินซีเอินรีย์ทางใจก็คือศรัทธาสมาธิสติปัญญานี่เป็นอินทรีย์ทางใจเป็นพลังของใจเป็นตัวขับเคลื่อนให้ใจเราไปสู่พระนิพพานได้ ต้องมีศรัทธามีวิริยะความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาตอนนี้เรามีแต่มีน้อยมีในระดับของปุตุชนเราต้องเพิ่มให้มันเป็นระดับของพระอริยะศรัทธาก็ต้องเต็มร้อยวิริยะความเพียรก็ต้องเต็มร้อยสติก็เต็มร้อยสมาธิปัญญาเต็มร้อยถ้าเต็มร้อยก็จะเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาได้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าให้เช่าที่เราเขาไปขายอาหารและสุราเราจะลดบาปได้อย่างไรคะเราไม่ได้ทําบาปเราเช่าที่ไม่เป็นการกระทําบาปแต่อย่างใดถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็ต่อไปเวลาใครมาเช่าที่ก็ทําสัญญาก่อนว่าห้าม ท, ทําอาชีพที่ไม่พึงกระทําเช่นขายสุรายาเมาค้ามนุษย์หรืออะไรต่างๆนี้นขายาเสติ คำถามจากท่านที่ถามว่าต้องสังเกตอารมณ์หรือไม่ท่านนั้นนะคะถามต่อว่าย่มจะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะคือเห็นแล้วมันหยุดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องเห็นแล้วต้องหยุดได้คือต้องมีสติหยุดมันถ้าไม่มีสติเห็นมันแล้วมันก็ยิ้มให้เราสบายเหมือนหมาที่เราตีมันไม่ได้ทำร้ายมันไม่ได้มันจะสั่งให้มันหยุดทาอะไรเราก็หยุดมันไม่ได้ แต่ถ้ามันเห็นเราถือไม้เลียวมานี่มันกลัวละกิเลสก็เหมือนกันอะ่ะมันกลัวสติถ้ามีสติแล้วพอสติเห็นปุ๊บมันก็หยุดปั๊บเลยเคำถามจากทางเฟ e บ o ๊ k ค่ะรู้สึกว่าความคิดทำให้จิตวุ่นวายเกิดทุกข์เกิดสุขเรื่องเมื่อลุกเดินทำให้ความคิดสงบจิตใจสบายขึ้นทําแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ ไหนว่าไหมถือเหมือนกับว่ามีความคิดก็ทําให้จิตวุ่นวายเกิดทุกข์บ้างสุขบ้างแต่พอลุกเดินขึ้นทําให้ความคิดเนี้สงบลงจิตใจสบายขึ้นทําแบบนี้ถูกต้องไหมคะมันไม่ไอยู่ที่ท่าเดินนรท่านั่งหรอกที่ทําให้จิตไม่คิดนะมันอยู่ที่สตินถ้ามีสติมันก็หยุดคิดได้ถ้าไม่มีสติยืนมันก็คิดได้นอนก็คิดได้ไดินคิดได้ดงั้นต้องอยู่ที่สติไม่ใช่อยู่ที่อริยาบท คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับเปิดบริษัทกําจัดปลวกกําจัดมแมลงแล้วต้องการให้กระผมไปช่วยทําธุรกิจด้วยแต่กระผมกังวลเรื่องผิดศีลฆ่าสัตว์ถ้าจะไปช่วยธุรกิจจะวางใจอย่างไรดีครับจะวางใจว่าเตรียมรับกรรมที่เราทำ <laughs> เราทํากรรมมันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเหมือนเราไปฆ่าคนนี่เรา จะทํายังไงก็ เ, เตรียมเข้าคุกจากจากท่านเดิมนะคะที่บอกว่าถ้าเดินแล้วมันเหมือนเขาอธิบายว่าเวลาเขาเดินเนี่ยเหมือนมันทําให้ลืมความคิดมันเลยสงบมาค่ะก็แล้วแต่แต่อย่างที่บอกมันไม่ได้อยู่ที่ท่าเดินน่มันอยู่ที่สติอาจจะเป็นเพราะว่าพอเราเดินแล้วเริ่มมีสติมากขึ้นกับเวลาเรานั่งก็ได้ <c oughs> หมดแล้วเนะี่ยมีคำถามคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์ดอ่เตรวค่ะวิธีดูคนว่าเป็นคนดีสังเกตแบบไหนได้บ้างครับก็มีเสียหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่มีเสียงก็เป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตไม่ชอบโกงไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปแย่งผัวแย่งเมียของคนอื่นเขาเนีย่ยเรียกว่าเป็นคนดีแล้วอีกประการนึงก็ดูว่าเขามีความเมตตาหรือไม่ เขาใจบุญใจกุศลหรือไม่ใจกว้างหรือใจแคบนี้ก็เป็นอีกส่วนนของการดูคนว่าเป็นคนดีหรือไม่แต่ที่สําคัญนะดูที่สินเป็นดีกว่าคนที่มีศินอาจจะอาจจะไม่มีเงินแจกก็ได้แต่คนที่ไม่มีศินอาจจะมีเงินแจกมาลออใจคนก็ได้มาหลอกมาหลอกคนได้ดังนั้นก็ต้องระวังแต่ดูที่ศินเนี่ยมั่นใจกว่าถ้าเขาไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายพูด ไม่ทำร้ายเราอันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนดีคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะคุณแม่ไม่ยอมล้าความโลภในที่ดินของครอบครัวทำให้ทะเลาะกับคุณพ่อทำให้เราเครียดตามแต่ถ้าหากเราปล่อยวางให้ท่านเป็นแบบนั้นไปควรทำอย่างไรดีครับนก็ปล่อยวางก็เฉยๆไปไม่ใช่เรื่องของเราให้เรื่องของชาวบ้าน ตรเยอะแยะมหมเราไปเดือดร้อนแทนเขาเลยมันเดือดร้อนกับพ่อแม่ของเราสองคนนี้ก็อมองเขาไปเหมือนชาวบ้านไปก็แล้วกันใช่ไคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะทำยังไงเราจะออกจากความทุกข์ความโกรธความเศร้าคะก็ไปบวช ด, ดีที่สุดถ้าบวนแล้วรับประกานได้ดูุดค้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอารตสาวกทั้งหลาย ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ไปบวดกันคำถามสักทาง YouTube พระอาจารย์สุขาค่ะเจอจะเจอตะขาบตัวใหญ่หนีไปทิ้งโดยไม่ทำร้ายแต่อาจหนีแรงไปหน่อยเขาปลอดภัยดีต่อมาเจองูเขียวก็หนีไปทิ้งข้างต้นไม้แต่ตอนแรกจับโยนไปก่อนตอนงูเขียวนิยมหกล้มเดินเลยไม่คล่องเขา อ, อักเสบนิดหน่อยนี่คือแบบทันตาใช่ไหมเจ้าคะ ก็ไม่รู้แหละแล้วแต่เรื่องของกรรมนี่มันเป็นเรื่องของที่เราไม่สามารถไปแยกแยะวิเคราะห์ได้ทุกกรณีก็รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรจะเกิดก็เกิดก็แล้วกันคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะร่างกายเราประกอบจากธาตุใช่ไหมคะเช่นออกซิเจนไฮโดรเจนใช่เราเรียกว่าธาตุสี่ธาตุาดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟหมดแล้วใช่ไหม